สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบาท น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตสาวกครั้งที่สิบหกเรื่องการครอบครองโรคครั้งที่สามพี่น้องครับวันก่อนนั้นผมได้กล่าวถึงวิธีการที่พระเยซูได้ทรงประกาศพระกิติคุณไว้สองวิธีใหญ่ๆวิธีแรกก็คือการประกาศต่อหน้าสาธารณชนอีกวิธีหนึ่งก็คือ การคุยส่วนตัวการเป็นพยานส่วนตัวเพื่อนครับพระเยซูกับสาวกมักใช้วิธีแรกไม่ว่าไปที่ไหนที่ไหนก็ตามที่มีผู้คนมาชุมนุมกันเยอะแยะก็ย่อมมีโอกาสเทศนาประกาศพระกิตติคุณฉะนั้นเราจึงเห็นผู้คนมาชุมนุมกันฟังพระกิตติคุณไม่ว่าจะอยู่ในตลาดไม่ว่าจะอยู่ในคุกหรือว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ธรรมศาลา หรือแม้แต่ชายหาดริมฝั่งแม่นม้ําริมฝั่งทะเลอยู่เนินเขาพี่น้องครับทฤษกรมีความจําเป็นที่ต้องประกาศประกาศให้คนส่วนใหญ่รู้เราจะเห็นคทฤษกรนั้นจัดงานอีเวนต์ในการประกาศอยู่เสมอเพราะอะไรครับเพราะว่าการเทศนานั้นก็เป็นการกล่าวพระเนะของพระเจ้าเป็นการประกาศเป็นพลัง ที่จะขับเคลื่อนให้ผู้คนนั้นได้มีโอกาสผู้คนจํานวนมากๆได้มีโอกาสฟังพระกิตคุณฟังข่าประเสริฐของพระเจ้าอันนี้เป็นวิธีการแรกครับที่คริสจักรนั้นได้เรียนแบบพระเยซูแต่วิธีที่สองครับที่พระเยซูจะนําคนมาเป็นสาวกก็คือการพูดกับเขาเป็นส่วนตัวเป็นรายคนในนี้เป็นวิธีที่พระเยซูใช้ครับใช้ในการฝุก ฝนสาวกใช้ในการพูดคุยกับหญิงที่บ่อน้ําหญิงชาวสมาเรียพี่น้องคงจะเห็นนะครับว่าพระเยซูใช้ทั้งสองวิธีและพระเยซูฝึกรายบุคคลด้วยพรงเรียกคนกลุ่มนี้ก็คือพวกสาวกเพื่อจะได้ให้เขาอยู่กับพระองค์ใช้ชีวิตด้วยกันและในที่สุดพระองค์ก็ใช้เขาออกไปวันแล้ววันเล่าตลอดสามปี ที่พระเยซูสอนเขาถึงความจริงเรื่องของพระเจ้าศัจธรรมของโรชนะของพระองค์และได้บอกกับพวกเขาว่าพระองค์เป็นใครและพระองค์ก็ให้เขาทํางานครับส่งเขาออกไปเป็นคู่คู่เตือนเขาล่วงหน้าถึงอันตรายและความยากลําบากจะต้องระวังพวกชูนักป่าพวกรระวังพวกชูนักป่าที่อยู่ในคราบของลูกแกะ และพระองค์ก็บอกเขาแม้แม้แต่ผลเนียผลแผนการของพระเจ้าครับและตั้งเขาด้วยตั้งเขาให้เป็นเพื่อนร่วมงานกันในการดำเนินตามแผนการของพระองค์พระองค์ใช้เขาและพระองค์ส่งให้เขามีฤทธิอำนาจของพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ครับเมื่อพระองค์มอบหมายงานของเขาให้กับเขานั้นพระองค์บอกว่าพระองค์ให้พระวิญ ญ, ญาณ ให้ฤทธิดเดชสาวกเหล่านั้นเมื่อถูกสร้างในที่สุดก็ออกไปบอกให้โลกรู้ครับถึงพระผู้ช่วยรอดผู้ทรงฟื้นหรือเป็นขึ้นในความตายเราสามารถเห็นได้ว่าวิธีนี้ได้ผลครับเพราะว่าคนสิบสองคนเปลี่ยนโลกได้ครับเพราะฉะนั้นการสร้างสาวกนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญการสร้างสาวกจะ ความโลกหรือครอบครองโลกได้พี่น้องครับนี่คือสองวิธีที่ระเยซูใช้ในวันนี้เราจะมาดูถึงขั้นตอนสามขั้นตอนครับสามขั้นตอนที่อักรทูตเปาโลนะครับรบเราหรือทานะครับหรือสร้างสาวกของท่านเองความอิงแล้วอักระทูตเปาโลก็เลียนแบบพระเยซูครับ ท่านเขียนไปถึงทิโมธีบอกว่าจงมอบคําสอนเหล่านั้นซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายคนไว้กับคนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยอันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมสองทิโมธีบทที่สองข้อที่สองสองสองสองครับจงมอบคําสอนเหล่านั้นซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายคนไว้กับคนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วย พี่น้องครับรเราเห็นตรงนี้นะครับว่าคนที่ชื่อสัตว์คนที่สามารถสอนคนอื่นของเราต้องคัดเลือกคนเหล่านี้ครับอันนี้เป็นขั้นตอนแรกที่อักษาวกเปาโลใช้ครับอธิษฐานและขอพระเจ้านะครับให้ประทานคนที่ชื่อสัตว์และคนที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยอันนี้เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของคนที่จะเป็นสาวกครับ ประการที่สองครับขั้นตอนที่สองก็คือจะต้องให้เขาเกิดความคิดขึ้นว่าเขาควรจะทำประการใดอันนี้คือการสอนครับการฝึกการเทรนนิ่งความคิดจะต้องเป็นของตัวเขาเองในขณะที่การฝึกความคำสอนนั้นเป็นของเรา หมายความว่าถ้าเราจะสร้างสาวกนั้นเราจะต้องให้สัจธรรมความจริงให้กับเขาก็คือพอชนะเราจะต้องให้สไตล์การดาเนินชีวิตตามพอชนะเราจะต้องให้ความคิดของพอชนะเกิดขึ้นในที่สุดแล้วเขาเกจะประมวลและอินทตริเกตก็คือบูรณาการกลายเป็นความคิดของเขาเองและเมื่อถึงนั้นตรงนั้นนะครับ เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่และขั้นตอนที่สามพร้อมที่จะเข้าสู่ขั้นตอนที่สามก็คือเขาจะทํางานรับใช้ขั้นตอนที่สามก็คืออักขส า, าวกเปาโลอักขทูตเปาโลนั้นส่งคนเหล่านี้ออกไปส่งคนเหล่านี้ออกไปทําไมครับส่งคนเหล่านี้ออกไปเพื่อจะนําค น, นอื่นมาเป็นสาวกของพระเยซูพี่นะครับนั่นคือการรับใช้การทํางานของพระเจ้า และก็สามขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คืออธิษฐานเนี่ยและขอให้พระเจ้าส่งผู้ที่สั่์ซื้อผู้ที่สอนคนอื่นได้ด้วยประการที่สองก็คือให้เขาเกิดความคิดว่าเขาต้องทำประการใดโดยปลูกฝังลักษณะนิสัยคำสอนที่สัตรูธรรมและพระชนะของพระเจ้าเข้าไปในชีวิตของเขาเพื่อที่จะสู่ขั้นตอนที่สามครับก็คือส่งคนเหล่านี้ออกไป ทับใช้ออกไปนําคนอื่นๆมาเป็นสาวกของพระองค์ต่อไปพี่น้องครับวิธีการของพระเยซูก็ดีวิธีการของสาวกก็ดีนะครับก็จะสร้างสาวกที่ยอมอุทิศตนครับจะสร้างสาวกที่ยอมอุทิศตนเพื่อพระเยซูได้และพวกเขารวมกับพวกเรานั้นก็จะสามารถคว่ำโลกหรือครอบครองโลกได้ครับ เราจะสามารถไปสู่ความสำเร็จเพื่อพระเจ้าได้นะครับสุดท้ายวันนี้ครับผมจะฝากอยู่เจ็ดประการด้วยกันเจ็ดประการนี้นะครับก็คือเป็นสิ่งที่สาวกจะลงไปทำครับเขานั้นจะมีคุณสมบัตินะครับอยู่เจ็ดอย่างอย่างแรกครับก็คือฉลาดเหมือนงูครับฉลาดเหมือนงู และอย่างที่สองก็คืออ่อนสุภาพถ่อมตนเหมือนนกพิราบคำว่าฉลาดเหมอนงูก็คือว่าทันคนครับและรู้วิธีการที่จะจัดการหรือดีลกับสถานการณ์ยากๆนะครับอันที่สองก็คือสุภาพอ่อนน้อมอ่อนโยนอ่อนสุภาพถ่อมตนเมื่อติดต่อกับเพื่อนมนุษย์เราจะต้องเป็นเหมือนกับนกพิราบที่ ถมตัวสุภาพและอ่อนโยนนะครับประการที่สามก็คือว่าเขาสามารถทำงานกับทุกๆคนได้คนเหล่านี้ไม่ชู้ลกตบมือกับรัฐบาลใดๆหรือรัฐพิการเมืองใดๆสามารถทำการอยู่ใต้รัฐบาลทุกรูปแบบซื่อสัตว์นะครับประการที่สี่ครับเขาซื่อสัตว์ไม่ว่าจะทา สิ่งใดนั้นเขาหลีกเลี่ยงจากการหลอกลวงเขาหลีกเลี่ยงจากการทําทุจริตคอร์รัปชันไม่มีสถานการณ์ใดที่มาให้เขาทําชั่วเขายอมไม่ทํายอมลาออกดีกว่าที่จะทําชั่วทําบาปยอมตายเสียดีกว่าที่จะทําบาปครับประการที่ห้าเขาให้การงานของเขานั้น มีฐานรองรับยึดเหนี่ยวกับคริสตจักรท้องถิ่นครับเขาออกไปนําคนมาเป็นสาวกนําคนให้กับใจมหาพีเยซูแล้วก็ให้คนเหล่านั้นมาสู่ความสัมพันธ์กับคริสตจักรท้องถิ่นครับเราจะเห็นอักขรูเปาโลนะครับสร้างคริสตจักรท้องถิ่นและให้ผู้เชื่อนั้นเป็นสมาชิกของคริสตจักรท้องถิ่นไม่ได้เป็นสาวกของตัวเองประการที่หกครับ <c oughs> สาวกที่แท้ไม่ อยู่ใต้องค์กรหรือองค์การของมนุษย์และไม่ยอมให้องค์การของมนุษย์มาบังคับบัญชางานของเขาเขารับคําสั่งโดยตรงจากพระเจ้าจากพระเยซูจากสวรรค์ครับเขายังคงทํางานด้วยความมั่นใจและฝากฝังไว้กับคริสเตียนในคริสตจักรท้องถิน่นมั่นใจในพระสวรเสียงของพระเจ้าที่จัดกับเขายังคงยืนกรานเชื่อฟังถ้อยคําของพระเจ้าและการทรงนําของพระองค์เพราะฉะนั้นจะ ไม่มีองค์การใดของมนุษย์นะครับมาบัญชาการเขาหลายใครั้งทีเดียวม mm ิชชันนารีในอดีตนะครับ mm hmm. ก็ยอมลาออกจากองค์กรมิชชันของเขา mm hmm. เพื่อที่จะทํางานพระเจ้าอย่างคล่องตัวมากขึ้นประการสุดท้ายครับ mm hmm. เขาหลีกเลี่ยนที่จะให้ใครๆ ร, รู้เขาพยายามจะอยู่เบื้องหลังครับจุดประสงค์เขาก็คือการที่เขาจะถ่อมใจและเทิดพระเกียรติพระเจ้าให้ใครๆ ร, รู้จักพระองค์แทนที่จะรู้จักเขา สร้างสาวกของพระเยซูแทนที่จะสร้างสาวกของตัวเองเขาไม่ได้แสวงหาความสำคัญใส่ตัวเขาครับไม่ต้องการเปิดเผยนะครับเขาทำงานอย่างเงียบๆพี่น้องครับทั้งเจ็ดประการนี้เป็นคุณสมบัติหรือลักษณะของสาวกที่จะเป็นผู้ที่ครอบของโลกขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะบิดคุณบัตทั้งเ็ประการนี้ เราจะรู้วิธีการประกาศของพระเยซูนะครับรู้ขั้นตอนของอักระสาวกเปาโลและคุณสมบัติของสาวกอาเมน